รู้นี่คือพุทโธพุทโธพุทโธคือสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหน่ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละสมมุติกันเท่านั้นและทีนี้นักภาวนาพุทโธสัมมาอราหังยุบหนอพองหน อ, อยังเถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นมันไม่น่าเอาเป็นครูแล้ว